ช่วงเวลานี้ท่านเองจะลงไปเดินจงกรมอยู่ในป่าเว้นแต่มีธุระอื่นที่ควรจะทําในเวลานี้ท่านก็ไม่ได้เดินจงกรมจนใกล้เวลาจะบินทบาทท่านจิ้งออกจากทางจงกรมมากราพระประธานและรูปภูบาอาจารย์ที่ศาลาและออกบินทบาทในหมู่บ้าน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 ฉันอาหารไม่ค่อยได้การพักผ่อนหลับนอนไม่เป็นปกติราวปีพุทธศกราช 2,526 นี่เองแต่ไม่ว่าสมัยใดการออกบินธบาต ท, ท่านมักไปตามลำพังโดยปล่อยให้พระเนรล่วงหน้าไปก่อนด้วยเพราะท่านถือเป็นการเดินจงกรมไปด้วยกำหนดพิจารณาไปด้วย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 มีบางแห่งที่ท่านเคยจําพรรษาอยู่ถ้าพบพระเนนองใดขี้เกียจทาความเพียรเอาแต่หลับแต่นอนหรือมั่วสมคุยกันในเรื่องไม่เกี่ยวกับอธรรมไม่สมกับท่านรับไว้ศึกษาอบรมด้วยความเมตตาแล้วแม้เวลาดึกดื่นตีสองหรือเช้ามืดตีสี่ท่านก็จะลองออกไปตรวจดู